พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าฝึกสติมัดใจวันนี้เป็นวันที่ส6 มิถุนายนพุทธศักราช 2,559 พรุ่งนี้เป็นวันพระองค์พาเสด็จนะพี่น้องลูกหลานชาตญาติโยมรับเสด็จผูกก้อนเพราะว่าท่านจะได้สมโพธพระพุทธปฏิมาที่พระสีหาสายญาติพระพระนอนหรือพระปรางปรินิพาน ที่ท่านสร้างมาหลายปีแต่ปีนี้คงจะสมโพธิเข้าฉลองงานเสร็จบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะกระทูลเชิญพระองค์พาสเสด็จแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จมหามุนีวงศรัตสบพิษเป็นผู้เป็นองค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ คนเสียงของพระพุท ธ, ธปฏิมาวันพุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดตอนบ่ายประมาณทักบ่ายสามสี่โมงเย็นแต่หลวงพ่อขคงจะวันนี้ก็คงจะขึ้นไปดูไปดูงานงานความพร้อมของงานกับลูกหลานแล้วก็วันวันที่สนะิบเจ็ด ท่านเจ้าภาพคุณปิยวรรณคุณอูด๊ดคุณปิยวรรณมานนมนโหลวงพ่อจะไปถวายของที่ระลึกกับพระองค์พาเจ้าท่นานจันชลีจะเป็นผู้อมอบ อ, อะไรหมอบแด อ, อะไรของที่ระลึกแต่หลวงพ่อจะเป็นผู้มอบพระพุทธปฏิมานะพระพุทธรูปเล็ก ถวายองค์ภานะวันที่สิบเจ็ดวันวนัวนวันก่อนคุณปิยวันมานิมนต์หลวงพ่อเนะกิดคราวก่อนก็เหมือนกันนะอมสมเร็จพระเทพเสด็จเปิดสง พ, พระเจดีภูก้อนแต่หลวงพ่อก็ได้ถวายของที่เราเลือกกับพระเทพในคราวนั้นครั้งนั้น ถ้าพูดวันนี้เขาหลายปีแลวนะป่าจะเข้าสิบปีจ ะ, ะมั่งหลายปีแล้วแต่วันนี้วันพุ่งนี้ท่านก็ฉลองไปเลยๆนะอันนี้ผนกูบายจานพระเถระมาแสดงธรรมเป็นเป็นภาคภาคไปภาคเรือภาคตะวันออกเสียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้แต่หลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรม เย็นของวันที่ยี่สบวันที่ยี่สบมิถุนานะแต่วันนั้นงานของหลวงพ่อรู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสอยู่นะัทธายญาติโยมคือตอนเช้าหลวงพ่อจะได้ไปฉันที่ขอนแก่นงานของนายกอบอจอพ่อของพ่อตาของเสียโต ท่านหลวงพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยนะคงจะไปวันเกิดพอท่านก็มีพระคุณพระคุณพระคุณต้องทดแทนอย่างที่ว่าท่านได้ถวายสร้างสะพนันที่ถวายเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพร้อมครอบครัวของท่านหมดไปหลายเงินเหมือนกันนะอย่างที่พวกเราได้รู้ได้ทราบหมดไปเกือบล้านนะ่ะ อนไรก็คือเจ้าภาพครอบครัวเนี่ยหลวงพ่อก็คงจะได้ไปร่วมครูบาอาจารย์ฟังองค์เขาก็ในมนพระมากอยู่นะก็มีท่านเจ้าคุณวัดโพธิสมพรนะเจ้าคุณราชประรารังการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลวงพ่อก็เป็นผู้ก็ไปร่วมแล้วก็กลับมาพอ ก, กลับมาได้ขึ้นภูกรออกีกวันที่ยนะี่สิบแล้วลูกหลานนะ พอหลวงพ่อมองดูอายุสังขารของหลวงพอ่อหลวงพอ่อโอ้ไหวหรือเปล่านะก็มองดูเหมือนกันนะอันนี้แหละคือบางทีบางสิ่งบางอย่างโลกนะให้พวกเราดูสิ่งไหนบางทีมันไม่ชอบใจแต่เหตุผลมันลงตรงนั้นเราก็ต้องได้ทำ จะให้ชอบจใจซะก่อนจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เรามันยากเกิดมาในโลกนี้ถาอย่างนั้นก็คงไปเกิดองค์คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเพออยู่คนเดียวก็อีกแล้วที่นี่นว้าวีอวาว่างียบเหงาเศร้าซึมอีกพภยไรเพอามันคิดมากค่ะนี่แหละอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตร เพื่อนฝูงให้ระวังวาจาให้พวกเราจําเอาไว้อยู่คนเดียวให้ภาวนาให้มากอย่าไปคิดปรุงฟุง้งถ้าคิดปรุงฟุง้งจะเป็นบ้าสนะง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะมันเอาไม่อยู่ถ้ามันปรุงฟุ้งมันฟุ้งไปทำไมาต้องใช้ปัญญาตล่อมหรือปรามปรุงไปทำไมาคิดว่าจะตายไม่เป็นอย่างนั้นเฉยใจ แต่ว่าคิดว่าแต่แกตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจต้องปราบตนเองนะอถ้าปราบตนเองนะแต่นี้มันก็หดเข้ามาแลอวใชใ่หน้าที่เดี๋ยวนี้คืออะไรหน้าที่อยู่คนเดียวอย่างนี้คืออะไรหน้าที่ของเราเดี๋ยวนี้คืออะไรอมันย้อนเข้ามาหาตัวตัวใจตัวผู้รู้มันไม่ปรุงไม่ฟุ้งน่นี่แหละมันเกิดจะเข้าสู่ความสงบเพราะนั้นท่น ดูคนเดียวให้ระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเราไปที่ไหนก็ตามไปเมืองนอกเมืองนาไปเรียนหนังสือไปธุระทำธุระอะไรก็ตามถ้าไปเลยไปหาปิกิิดปุงฟุง้งหมดท่าเลยนะเสียหลักเลยเสียหลักเพราะนั้นเราต้องเอาหลักธรรมเอาหลักธรรมเข้ามาจิตทางด้านจิตใจใบังคับให้อยู่กับตัวเองให้พุโทโธอย่างเดียวอันนี้ก็คือ การอยู่องค์เดียวคนเดียวต้องระวังอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนฝูงการจะพูดจาพาทีอะไรออกไปต้องคิดมันจะคบกระทบกระเทือนไหมมันจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาไหมหรือมันจะเกี่ยวข้องกับส่วนทวมส่วนกลางส่วนใหญ่ไหมจะทำให้เสียหายไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดนะได้คิดเหมือนกัน แต่บางสิ่งบางอย่างเราหลีกเลี่หนีไม่พ้นหนีไม่ได้จุดนี้ต้องไปตรงนี้ถึงจะผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วมันต้องจําเป็นจะต้องได้พูดอจะต้องชี้แจงในจุดนี้อันนี้มันก็จําเป็นถ้าเราพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วนะแต่ถ้าพูดไปแล้วพูดไปแต่พูดไปเสียหายพูดตรงอยู่ถูกต้องแต่มันเสียหายะ เสียหายแนละ้วมันแก้ไม่ได้นะเสียเพื่อนเสียผงเสียครูบาอาจารย์เสียหมู่เสียเพื่อนนะตลอพูดไปเนี่ยถึงจะอยากพูดเปิดเผยความจริงขนาดไหนเราก็ต้องอดไว้ก่อนเพราะมันจะเสียหายออความหายเนะ่มีอยู่ข้างหน้าเราจะไปพูดทําไมถ้าพูดขึ้นมาแล้วเอาช่างน้ําหนักดูอพูดก็ไม่พูดอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันถ้าเราพูดไปได้ประโยชน์มากกว่าเอออันนั้นเราก็พูด เราพูดไปแล้วเสียหายเราพูดไปทําไมพูดไปแล้เสียหายสิ่งเหล่านี้ก็มันต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเหมือนกันนะคณะจตหายาดยมพระเนรลูกหลานนะแต่ทึ้งยังไงก็าตามนะเราเราเกิดมาในโลกนี้ก็อย่างที่หลว ง, งพ่อหลวงตาได้พูดให้ฟังนี่แหละมันมีมากหลากหลายเหลือเกินา น, านานาจิตตังนานาทัศนะในความคิดความเห็น จะไปไปทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งไปทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งแต่จะให้ได้ทุกอย่างทุกทางเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปอย่างที่หลวงพ่อไปเอาหลวงพ่อพูดให้ฟังไปโน่นไปนี่ไปนีน่มันก็ได้ชุมชนสังคมแต่สุขภาพของเราล่ะสิไหวไหมเพอ้อเผ้อตัวเองตายก่อน เ, อเพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยมันเพลียมันหิวโหวย เพราะไรเพราะไม่ได้พักผ่อนี่มันเสียไหมจุดนี้มันก็เสียนะแต่มันได้ไหมได้นะี่สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมองมองมองท่านมองเรามองเขามองเรามองตนเองด้วยนะอย่างคนโบราณแต่เราก็ไม่อยากจะพูดคำนี้ออกไปเพราะมันพูดคานี้ออกไปบางทีมันเสียหายแต่มันก็เป็นพูดเป็นแนวความคิด อีกเหมือนกันคนโบราณเขาบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตามไม่จริงเราต้องดูอีกเหมือนกันจุดนี้นะเอ็นดูเขาคล้ายๆว่าสงสารเขาแต่พอเราสงข้รไปแล้วเราตายแลวจิบหายเลยเพอเพอเข้าคุกเข้าตารางอีกต่างหากเพอเพลิ่มจมจิบหายอีกต่างหากเลยอันนี้สิ่งเรานี่มันก็ต้องอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังต้อง แบ่งแบ่งเส้นพิจารณาเสียหายไหมได้ไหมได้ใครเสียใครท่าว่าได้เปรียบเขาเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเกิดมาในโลกไปเอาเปรียบเขาคนมากเกินไปเราก็ไม่ควรจะอยู่กับโลกเขาแต่เสียเปรียบพขาจนเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราเกิดมาในโลกนี้ ต้องพึ่งพาอาศัยกันเขาจะเอาเปรียบเราอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องนะนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันการวางตัวการพึ่งพาอาศัยกันสรุปแล้วก็คือให้มีการยืดหยุ่นหากันมีเมตตาต่อการการอยู่เพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันถ้าเอาเอาแต่ใจตัวเองว่าข้าไปเจ้านี้พูดถูกคิดถูกพูดถูก ดันทุหลังอย่างเดียวหัวชนฝาอย่างเดียวไม่ยอมฟังใครเลยใครก็อยู่ด้วยยากเหมือนกันนะใครก็อยู่ด้วยยากเพราะอะไรเพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมฟังใครไม่ยอม เ, อ เ, อเอมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ใครไม่ยืดหยุ่นต่อกันการอยู่ด้วยกันมันต้องมีการยืดหยุ่นนะบางทีเราก็ผิดก็มี บางทีเขาผิดก็มีแต่เมื่อเขาผิดเขาเจตนาไหมเราทำเนี่ยเราเจตนาไหมถ้าเราเจตนามันก็ไม่ดีเอารัดเอาเปรียวเขาแกล้งตั้งใจทำให้เขาเดือดร้อนเจตนาไม่ดีมันเป็นบาปอากุศลในจิตใจของของเราลึกๆแล้วนะแปลว่าคิดไม่ดีแล้วในเมื่อเราคิดไม่ดีการกระทำออกไปมันก็ไม่ดีเพราะมันคิดผิดเลย การพูดออกไปมันก็ไม่ดีพอเราพอคิดแล้วคิดแล้วยังคอยพูดเพราะนั่นเรื่องคิดนี่สำคัญการที่จะระวังความคิดได้จะทำอย่างไรไม่มีอย่างอื่นนอกจากสมาธินอกจากสมาธิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเข้ามาเป็นเครื่องหลังวัดหรือเป็นเครื่องจับในใจของเราเมื่อทำจิตใจของเรานิ่งจิตใจของเรานิ่งผ่านความเนื่ง ผ่านความสงบในเมื่อผ่านความสงบจิตใจเอาอยู่แล้วนะเราจะฝึกยังไงเราจะให้มันฝึกคิดไปคิดไปทางไหนเหมือนกับควายป่าเรื่องควายของเราเนะี่ยเรามียังไม่ได้ฝึกมันอมันจะจับมาไถนาได้หรือไม่ได้อมาใส่เกวนได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ฝึกมันจากนั้นเราพยายามอพอมันดูมันมีกําลังพอที่จะทํางานได้ เราก็จับมานะจับมาสนตภายมันนะโอ้โหก่อนที่สนตะภายได้เนะี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาแนละ้วกันสนตะภายยากเพอเพอมันจะสู้คนควิดคนอีก เ, อเขาจะต้องสนตภายแ้่สมัยตัวมันยังเล็กๆอยอู่จากนั้นพอสนตภายเสร็จแล้วก็ฝึกอะไรฝึกให้มันเดินตามผลขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ฝึก ใช้เชือกให้กระตุกให้มันไปทั้งนะซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังพอเสร็จแล้วก่อนเอาเข้าล้อเข้าเกวียนะฝึกนะผลที่สุดมันก็ทำการทำงานได้นี้ก็เหมือนกันใจของเรานะใจของเราไม่ได้ฝึกปล่อยปละละเลยใจไม่ไม่เคยเป็นสมาธิเสเลยใจปล่อยอิสระนะและ้วทีนี้เราจะนำ ใจให้มันคิดมันก็คิดเรื่อยเปื่อยของมันมันละมันเอาไม่อยู่ทีเียถ้าหาว่าใจของเราฝึกอนํามากําหนดลมหายใจเน่อยใครๆจ ะ, ะจับมันมาได้จับใจของเราเขามามาฝึกอจับใจของเราเขามาฝึกกับสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุ ท, ทมันก็ทะเลทลายไปอีกเหมือนกับเราจั บ, บวัวควายอย่างที่ว่านะประยองพองตัวกระโดดโลดเต้น แต่ที่อย่างไรเราก็คิดว่าต้องฝึกไว้ต้องนำมาฝึกถ้าไม่ฝึกต้งเป็นควายป่าไปนะมันไม่ดีแน่เราก็ต้องจับมาอีกมาฝึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโทพุทธโธหรอือให้มีสติอยู่กับตนเอง เ, อเราเคลื่อนไหวยังไงให้มีสติการเคลื่อนไหวของเราเรานึกคิดเรื่องอะไร เ, เราให้มีสติสติคือเชือกนะเชือกมัด มัดมัดวัววัดมัดควายเชือกอันนี้ก็คือเหมือนกันสติคือมัดตัวผู้รู้คือใจจะให้มันคิดไปทางอื่นตัวผู้รู้นามาทมตัวนั้มันประยองพองตัวมันกระโดดโลดเต้นเราสติเขาไปจับยึดมันก็วิ่งไปขาดสติเอาจับมาอีกเชือกขาดกลับมาดึงมาอีกผลในสุดหลายครั้งต่อหลายโหดนะเรามีความพยายามอยู่ เหมือนกับเราฝึกสัตว์เนี่ยเรามีความพยายามอยู่มันไม่เหลือวิสัยนะลวกเราท่านทั้งหลายนะพระเนรลูกหลานนะอพอฝึกเข้าไปมากๆเข้าไป เ, เอาสติจับมันอโหเยเลยองคุ้นเชื่องเขาเลยๆพอจิตใจของเราเน่งสงบเป็นหนึ่งทอนี้เราจะคิดเรื่องอะไรเลยมันจึงจะมีเหตุมีผลเมื่อคิดไปแล้วการกระทําออกไปมันถูกต้องไหมที่การกระทําของเราเนี่ย เออการพูดของเราก็เหมือนกันมันถูกต้องไหมที่เราพูดออกไปนี่นะเนี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องฝึกซะก่อนมีสติสัมปชัญญะฝึกใจของตอนเองซะก่อนถ้าเราไม่ได้ฝึกจุดนี้นะเออมันจะปล่อยไปตามเออละเหยลอยลงไปเลยบางทีคือกิกเลสลาคะเข้ามาควบคุมกิเลสเราก็คิดไปทางกามาัา่นลาภเนี่ยเดาหล่ะเออผลในสุดไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเลย มันกัดด่าไปหมดเลยไม่ฟังคาใครเลยเพราะ เ, าเพราะความรักเข้ามาเพราะความโกรธเข้ามาก็เหมือนกันไม่ได้ดูตามาตาเหลือไม่ได้ดูพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายาทั้งด่าทั้งถีบทั้งเตะทั้งอะไรมีอะไรอยู่ใกล้กันคว้ามามีดมาปืนมาเาพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ได้ฝึกในเมื่อ ใจไม่ได้ฝึกใจมันไปตามอารมณ์กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโมหะมันหลงอยู่แล้วนะโมหะคือความหลงคอบคุมอยู่ตัวโมหะตัวนี้แหละมันอยู่ในจิตใจมันหลงซะก่อนมันจึงโกรธมันหลงซะก่อนมันจึงโลภมันหลงมันเจ้าก่อนมันจึงรักถ้าหาว่าไม่หลง มันจะไม่โลภไม่โกรธไม่ไม่รักไม่ชังนี่แหละเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะตัดกิเลสตัวความหลงได้ตัวอวิชชาคือความหลงได้พระอนาคาตัดตได้แต่ตตกิเลสราคะกระทศะ ราคะคือความกำนัดจีนดีรักสวยลักงามกระเด็นออกจากใจของพระอนาคามีและ ก, ะเลกิเลดกิเลสโทสะคือความโกรธโมโหโกธาง่วนงานกระเด็นออกจากใจของพระอนาคามีแต่กิเลสมโหหะความหลงในตัวเองความหลงในเรื่องต่างๆมันยังติดอยู่ในจิตใจยังเป็นพระอนาคามียังมีความหลงละเอียดอยู่ในจิตใจ วันนั้นท่านตายไปท่านมรณาภาพลงไปพระอนาคามีมรณาภาพลงไปท่านยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้นะ เ, เพราะยังมีกิเลสมโมหะอยู่คือความหลงอยู่อวิชชายัางอยู่ในจิตใจของท่านอยู่ท่านจะต้องขึ้นไปชําระหยุดชั้นพรมชั้นพรมห้าชั้นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีเนาะพระชั้นพรมห้าชั้น อาวิหาอัตปาทุตสาทุตเสียกนิธาแผลพรมพระานาคามีจะขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นจะนั้นไปชำระให้ไปชำระในจุดนั้นให้ครับบอไปภาวนาไปกันกรองไตราตรองแผลสะกดจากนั้นท่านรู้แจ้งเห็นจริงใจของท่านหลุดพ้นจากนั้นจัดใจของท่านหลุดพ้นจากอาสวกิเลสท่านเข้าสู่นิพพานเลย พระอนาคามีจึงไม่ลงมาเหยียบโลกวัฏสงสารนี้อีกพอขึ้นไปแล้วไปอยู่พรมออกจากพรมก็เข้าสู่นิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธพระพุทธศาสนาประจานิลูกหลานพระคณะสัตย า, า, า ญ, ญาณโยมทุกคนนะเรื่องฝึกจิตฝึกใจนะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจปล่อยจิตปล่อยใจก็อย่างที่อย่างที่หลวงพอ่อได้พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่า เหมือนกับวัวป่าควายป่าหรือวัวควายที่เราไม่ได้ฝึกเอามาเนี่ยามาใช้งานผลที่สุดกน็น่ยเป็นควายป่าเป็นควายเถือนป่าเถือนมีแต่ความดุร้ายหลือแตนี่ใจของคนเราขอเช่นอย่างนั้นเหมือนกัน น, นนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกฝึกจิตฝึกใจฝึกยังไงก็ต้องฝึกตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําบอกเรา นีะเป็นหนทางเป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นหนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนน่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรณนตอนนี้นะ